สวัสดีคุณผู้ฟังคะเจอผีทุกท่านนะคะคุณผู้ฟังเคยเดินทางไกลไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วเราไม่คุ้นเคยกับสถานที่เหล่านั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเส้นทางที่จะไปเนี่ยมันไปยังไงแล้วเราก็ต้องใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนี้นะคะในการเปิดเส้นทางหรือที่เราเรียกว่า GPS นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเคยนะคะแล้วเคยหลงทางซ้าหนักกว่าเดิมหมคะหลังจากที่เราเปิด GPS แต่ว่าเรื่องที่บีจะเล่าต่อไปนี้ค่ะเป็นเรื่อง GPS พาไปเจอผีในป่าค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่ผ่านมาคุณเพชรเนี่ยมีเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเด็กอยู่2คนชื่อคุณเอกับคุณเดี่ยวเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วคุณพ่อของคุณเอได้เสียชีวิตแล้วก็จัดงานศพที่บ้านซึ่งก็อยู่คนละอำเภอกันกับคุณเพชรแล้วก็คุณเดี่ยวนะคะคุณเพชรแล้วก็คุณเดี่ยวเนี่ยก็เลยเดินทางไปบ้านคุณเอโดยที่ไม่รู้จักเส้นทางมาก่อน แต่ว่าคุณเอก็ได้บอกเส้นทางไว้คร่าวๆแล้วคุณเพชรก็เลยขับรถไปตามทางที่คุณเอบอกโดยมีคุณเดียวนั่งมาด้วยจนไปถึงจุดหนึ่งที่คุณเพชรักเริ่มไม่มั่นใจก็เลยได้ให้คุณเดี่ยวนี่เปิด GPS ในโทรศัพท์ดูแล้วก็ตาม GPS ไปซึ่งเป็นถนนใหญ่หลายเลนแล้วค่ะสักพักหนึ่ง GPS พาเข้าไปในซอยเล็กๆ เ, เป็นถนนลูกรังไม่มีไฟสองข้างทางแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ2ข้างทางจะเป็นสวนอ้อยที่เก็บเกี่ยวแล้ว ก็เลยเห็นเป็นลานโล่งกว้างนะคะทีนี้คุณเพชรขับรถเข้าไปได้ระยะหนึ่งประมาณ10นาทีค่ะก็เจอกับ3แยกตัววาย GPS บอกให้เลี้ยวซ้ายไปทางซ้ายนะคะคุณเพชรก็เลยได้เลี้ยวไปตามทางที่ GPS บอกแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆก็ไปเจอ3แยกอีกทีหนึ่งมีต้นจำจุรีใหญ่ๆอยู่ตรงทางแยกค่ะกิ่งก้านนี่แผ่ปกคลุมไปทั่วบริเวณเลย GPS ก็ยังบอกให้เลี้ยวซ้ายเหมือนเดิม ขับไปได้สั ก, กระยะหนึ่งก็เจอเข้ากับโรงงานอะไรสักอย่างซึ่งดูเก่าๆโสมๆใหญ่มากอยู่ทางด้านซ้ายมือเลยโรงงานไปหน่อยนึงก็จะเป็นดงอ้อยสูงท่วมหัวเลยแหละค่ะทั้งสองข้างทางแล้วก็จะมีซอยอยู่ทางซ้ายมือด้วยซึ่งเป็นซอยเล็กๆที่รถผ่านเข้าออกได้แค่คันเดียว GPS บอกให้เข้าไปในซอยนั้นคุณเพชรและก็คุณเดี่ยวที่ไม่รู้จักทางก็เลยจาเป็นต้องตาม GPS ไปเรื่อยๆ ตอนนั้นเวลาประมาณหกโมงเย็นท้องฟ้าชักเริ่มมืดลงทุกทีค่ะคุณเพชรขับรถตรงเข้าไปเรื่อยๆส่วนถนนก็ชักจะแคบลงทีละนิดทีละนิดจนด้านข้างของตัวรถไปชนกันกับใบอ้อยส่งเสียงดังแกรกแกรตลอดทางคุณเพชรก็ขับรถเข้าไปได้ไม่นานก็มีลุงแก่ๆคนหนึ่งผิวคล้ำๆเดินถือมีดยาวมาจากดงอ้อยข้างทางค่ะคุณเพชรก็หยุดรถจนตัวกงลุงคนนั้นนี่เอามีดชีหน้าแล้วบอกว่าเอง่งออกไปเดี๋ยวนี้เลยเ ข, ข้ามาในสวนของข้าทําไม คุณเพชรตกใจค่ะก็เลยถอยรถยาวออกมาแล้วสบดคําหยาบแบบอารมณ์เสียอยู่ในรถจนออกมาจากซอยแคบๆได้ก็เลยคิดว่าจะขับรถกลับไปทางเดิมก่อนระหว่างทางก็บ่นให้เพื่อนฟังไปเรื่อยๆเพราะว่ายังฉุนไม่หายนะคะจนกลับมาถึงสามแยกที่มีต้นจามจุรีค่ะปรากฏว่าเห็นลุงแก่คนที่ถือมีดเนี่ยนั่งอยู่บนต้นจามจุรีลักษณะตอนแรกที่เห็นเป็นคนผิวคล้ำ แต่ว่าตอนนี้กลับกลายเป็นคนตัวซีดขาวเหมือนไม่มีเลือดใบหน้าบิดเบี้ยวเพราะความโกรธจ้อง้าคุณเพชรแบบเขม่นคุณเพชรใจหายวูบไปทั้งตัวสั่นไปทั้งตัวเพราะว่าความกลัววิ่งกระจายไปทั่วร่างกายก็ น, นึกในใจอยากกระโดดลงมานะพอขับรถไปใกล้ๆค่ะลุงที่นั่งอยู่บนต้นไม้ทําท่าจะ ก, กระโดดลงมาใส่ คุณเพชรตกใจเหยียบคันเร่งจนมิดรถพุ่งออกไปข้างหน้าหัวใจเต้นตุกตักตุกตักอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วก็พยายามมองกระจกหลังแต่ก็ไม่เห็นสิ่งไหนตามมามีแต่ความมืดที่เกาะอยู่ทั่วบริเวณจนมาถึงทางสามแยกตัววายค่ะแต่ว่าด้วยความที่ตกใจต่อเหตุการณ์ที่เจอจนไม่สามารถคุมรถได้ในขณะนั้นรถก็เลยพุ่งลงข้างทางนะคะ คุณเพชรและก็เพื่อนตกใจมากค่ะรีบลงจากรถปรากฏนะคะว่ารถพุ่งไปชนเข้ากับสารไม้ข้างทางจนพังเละทั้งสารคุณเพชรใจสั่นตลอดเวลาพยายามคุมสติถอยรถออกมาจากข้างทางแล้วก็ขับรถกลับไปที่ถนนใหญ่คุณเพชรขับรถกลับไปทางเดิมประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ก็ยังออกไม่พ้นจากส่วนอ้อยโล่งเตียนมืดทึบแล้วก็เงียบสงัดไปทั่วบริเวณบางครั้งฝ่ายหน้ารถ ก็เบาบ้างสว่างบ้างเหมือนกับมีเงาอะไรบางอย่างวิ่งมาบางังตรงคมไฟหน้ารถเป็นระยะนะคะความเงียบแล้วก็เหตุการณ์ที่ผิดปกติต่างๆสร้างความกดดันแล้วก็ความกลัวให้กับคุณเพชรทวีคุณยิ่งขึ้นจนสุดท้ายคุณเพชรทนไม่ไหวค่ะก็เลยหยุดรถแล้วก็เดินลงมาก้มกราบขอขมาอยู่ตรงกลางถนนจากนั้นก็เดินขึ้นรถแล้วก็ขับต่อไปได้ประมาณ5นาทีก็เจอคุณเอค่ะขับรถสวนทางเข้ามาพอดี ก็เลยได้พากันออกไปจากที่นี่พอไปถึงที่งานศพคุณเพชรแล้วก็คุณเดียวก็ได้ขอตัวกลับบ้านก่อนเพราะว่ายังคงใจสั่นไม่หายบอกคุณเอว่าเดี๋ยวจะมาอีกทีวันเผาคุณเพชรกลับมาถึงบ้านค่ะก็มีอาการไข้สูงก็ได้แต่นอนอยู่กับที่แล้วคืนนั้นคุณเพชรก็ฝันนะคะว่ากําลังยืนอยู่ตรงที่เอารถไปชนสารมียายแก่ๆคนหนึ่งนอนอยู่ข้างสารเลือดเต็มตัวแล้วก็ชี้หน้าคุณเพชรในขณะที่นอนจมกองเลือดอยู่ พูดด้วยน้ำเสียงเหมือนกำลังสำลักเลือดว่าเองชนฆ่าทำไมไหนเองบอกว่าจะเอาสารมาให้ฆ่าใหม่แล้วยายแก่ก็ค่อยๆพลิกตัวนอนคว่ำใช้2มือเนี่ยคลานลากลำตัวที่มีแต่เลือดนะคะเข้ามาหาคุณเพชรเลือดไหลออกจากปากตลอดเวลาและเหมือนจะมีเสียงหลุดมาว่าเองรีบมาเลยนะคุณเพชรตกใจตื่นขึ้นมาค่ะพบว่าตัวเองเนี่ยยังนอนอยู่ในห้องคิดว่าเป็นแค่ความฝันคงไม่มีอะไรช่างมันก่อนจึงได้ลงไปหาอะไรข้างล่างทาน พอเดินลงไปถึงชั้นล่างผ่านประตูหน้าบ้านปรากฏว่ายายแก่ๆในฝันค่ะยืนชี้หน้าอยู่ตรงประตูทำปากขมุบขมิบเหมือนกำลังด่าเลยนะคะคุณเพชรตกใจจนพงะล้มลงแล้วยายคนนั้นก็หายไปคุณเพชรรีบไปเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้พ่อฟังคุณพ่อก็ได้พาคุณเพชรเนี่ยกลับไปยังสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ทำพิธีตั้งศาลให้ใหม่หลังจากกลับมาถึงบ้านอาการคุณเพชรก็ดีขึ้นจนเกือบจะหายเป็นปกติค่ะแล้วก็ได้โทรไปเล่าเหตุการณ์ที่เจอมาให้คุณเอฟัง คุณ A บอกว่าผู้ชายคนที่ถือมีดยาวคนนั้นน่ะคือพ่อของคุณ A โดนงูกัดตายอยู่ในดวงอ้อยแถวนั้นตอนที่ไปนอนเฝ้าอ้อยตอนกลางคืนเพราะว่าชอบมีขโมยมาตัดเอาอ้อยไปขายนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ GPS เนี่ยพาไปงานงอกถ้าเป็นเส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยเปิด GPS แล้วเห็นว่าเส้นทางมันแปลกๆนะคะก็ลองถามผู้คนแถวนั้นดูก็ได้นะคะว่าเส้นทางที่เราไปเนี่ยถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง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 พ่อก็เดินตามหลังหลวงตาแดงไปบริเวณลานข้างโบสถ์ที่วัดราชนัดดาไอ้เล็กถ้าข้าบอกให้เองจับจีวรข้าเองก็จับนะแล้วมองไปที่โบสถ์หลวงพี่แดงก็หันมาสั่งพ่อก่อนจะยื่นมือประนมมือสวดอะไรพรึมพรำสักพักหนึ่งหลวงพี่แดงก็หันมาบอกให้พ่อจับจีวรพอจับจีวรเท่านั้นแหละค่ะพ่อก็มองเห็นมองเห็นเงาดะะําๆในหารรูปร่างคล้ายคนตัวผอมๆแต่ว่าร่างนั้นสูงใหญ่มากสูงกว่าโบสถ์เสอีกด้วยร่างนั้นเดินวนเวียนอยู่รอบโบสถ์ พอยังเห็นว่าร่างนั้นเนี่ยยังเอามือละหลังคาโบทไปเรื่อยๆนอกจากภาพที่เห็นแล้วยังได้ยินเสียงเป็นเสียงสูงดังวีดนะคะพอล่าให้ฟังว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันไม่ได้รับรู้ที่หูนะแต่ว่ามันดังอยู่ตรงกลางกระหม่อมดังวี อยู่ตลอดเวลาพ่อนี่ขนลุกสู้ค่ะเย็นสันหลังว่าบเลยลามไปจนถึงท้ายทอยและด้วยความกลัวพ่อก็เลยลองปล่อยมือจากจีวอนหลงพี่แดงทันใดภาพเงานั้นก็หายไปพอเอามือกลับไปจับจีวอนอีกก็เห็นเงาดําสูงใหญ่อีกนะคะก็เอามือไปละหลังคาบทเหมือนเดิมหลวงพี่แดงก็เลยถามว่าเป็นไงไอเล็กที่เองเห็นนะ่ะคือเปรตตะชูพ่อก็พยักหน้าตอนที่แกมีชีวิตอยู่เนี่ยแกโกงเงินวัดพอตายไป ลูกเมียก็ไม่คิดจะทำบุญให้ก็ต้องกลายเป็นเปรตเป็นผีมาขอส่วนบุญอยู่ตรงนี้แหละ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 ขึ้นชื่อว่าโรงพยาบาลแล้วคงไม่มีใครอยากจะกล้ำกรลายเข้าไปเฉียดใกล้หากไม่มีความจำเป็นเพราะว่าสถานที่แห่งนี้มีไว้สำหรับผู้ที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากความเจ็บป่วยผู้ที่เข้าไปสัมผัสกับโรงพยาบาลส่วนใหญ่นะคะจึงมักจะได้พบกับภาพอันน่าสลดหดหูใจมากกว่าภาพแห่งความยินดีปรีดาค่ะ ประการหลังนี้ถึงจะมีบ้างแต่ว่าน้อยเต็มทีอย่างเช่นกรณีการเกิดอันเป็นความปิติยินดีของผู้ให้กำเนิดชีวิตใหม่แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่เริ่มต้นที่โรงพยาบาลเช่นกันแต่หากจะเปรียบกับความสูญเสียซึ่งมีอยู่มากมายในโรงพยาบาลแล้วละก็คงเทียบเป็นสัสดส่วนได้ไม่ถึงครึ่งนะคะ ดังนั้นผู้ที่เข้าไปสัมผัสกับโรงพยาบาลโดยทั่วไปจึงถูกมองนะคะว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นในชีวิตไม่ว่ากับตนเองหรือว่าบุคคลอันเป็นที่รักมากกว่าเรื่องดีค่ะซึ่งดูเหมือนจะมีอยู่เพียงประการเดียวดังที่กล่าวมาแล้ว เหตุการณ์ที่บีจะขอนำเสนอต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเช่นกันหากแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ชวนระทึกขวัญอันเกี่ยวกับปรากฏการทางวิญญาณที่เกิดขึ้นจนผู้สัมผัสดโดยตรงอย่างคุณเบนจพรช่อห่มหนาคตัวแทนบริษัทประกันภัยยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองไทยต้องจดจำตราบชั่วชีวิตของเธอคะ่ะ คืนสยองอันเป็นที่มาของเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่คุณเบนจพรได้รับแจ้งจากครอบครัวของคุณชยชิตก็ขอสงวนนามสกุลนะคะลูกค้าผู้เอาประกันภัยของบริษัทที่คุณเบนจพรทำงานอยู่นะคะว่าคุณชยชิตเนี่ยได้รับอุบัติเหตุเสียชีวิตแฮนรี่ไปช่วยดำเนินการตามกรมทัรม์ซึ่งคุณชยาชิตเป็นผู้ซื้อเอาไว้กับคุณเบญจพรเมื่อหลายปีก่อน ด้วยความที่คุณเบญจพรต้องการให้ทางครอบครัวของคุณชยชิตได้เห็นนะคะว่าทางบริษัทไม่ได้นิ่งดูดายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พร้อมจะปฏิบัติตามสัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรเธอก็เลยรีบติดต่อไปอยังเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าของทองที่นะคะเพื่อรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคุณชยชิตค่ะขณะนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนเศษ หลังจากที่คุณเบนจะพรนได้พูดคุยกันกับร้อยเวรเจ้าของคดีจนทราบรายละเอียดเบื้องต้นพอสมควรแล้วเธอก็ตัดสินใจเดินทางออกจากบ้านย่านหลักสี่บางเขนไปยังโรงพยาบาลซึ่งถูกระบุว่าได้รับศพของคุณชยชิตไปทำการผ่าชนสูตรหาสาเหตุการตายเพื่อประกอบในการพิจารณาคดีตามกฎหมายค่ะ คุณเบนจพรเองเธอคิดว่าคงจะได้พบกับคนในครอบครัวของคุณชยชิตที่นั่นเนื่องจากว่าครอบครัวของคุณชยชิตเป็นลูกค้าของบริษัทหลายคนแล้วก็มีความสนิทสนมกับตัวเธอมากพอสมควรนะคะก็เลยเดินทางไปอย่างทันท่วงทีเช่นนี้น่าจะสร้างความไว้วางใจจากคนในครอบครัวของลูกค้าได้วิธีหนึ่งค่ะ คุณเบนจะพรเดินทางมาถึงโรงพยาบาลที่รับศพคุณชยชิตไว้เมื่อเวลาตีหนึ่งเศษเมื่อไปถึงก็ได้ทราบนะคะว่าศพของคุณชยชิตเนี่ยได้ถูกนำไปเก็บไว้ที่ห้องดับจิตด้านหลังโรงพยาบาลแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตไปรออยู่ที่นั่นแล้วด้วย คุณเบนจ์พรนก็เลยตัดสินใจเดินไปยังด้านหลังโรงพยาบาลเพื่อหาห้องดับจิตค่ะโดยคิดว่าจะได้พบกับญาติของคุณชยชิดรออยู่ที่นั่นแต่เนื่องจากขณะนั้นเป็นเวลาดึกมากแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ซึ่งเคยคลากร่ำอยู่ในช่วงเวลากลางวันก็ไม่มีหลงเหลืออยู่ให้สอบถามแม้แต่คนเดียวค่ะเธอก็เลยต้องพยายามเดินทางไปห้องดับจิตอันเป็นจุดหมายแต่เพียงลาพัง หลายนาทีผ่านไปคุณเบนจพรก็ยังไม่พบห้องดับจิตของโรงพยาบาลแห่งนี้บริเวณด้านหลังของโรงพยาบาลที่มีเพียงความว่างเปล่าที่เงียบสงัดแต่ก็ยังดีอยู่นะคะที่ว่าไฟฟ้าตามรายทางยังคงติดสว่างสวยัยทำให้บรรยากาศซึ่งน่าจะหวัดหวันกลับดีขึ้นและก็ไม่ทำให้คุณเบนจพรรู้สึกท่านพึงแต่อย่างใด หลังจากเดินลัดล้อสอหาอยู่หลายอาคารในที่สุดคุณเบญจพรก็ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งยืนสูบบุหรี่อยู่คนต้นไม้หน้าอาคารชั้นเดียวหลังเล็กๆเธอก็เลยเดินเข้าไปสอบถามนะคะว่าห้องดับจิตของโรงพยาบาลอยู่ตรงไหนชายคนนั้นก็ยิ้มให้เธออย่างมีไมตรีแล้วก็ชี้ไปยังอาคารหลังเล็กที่อยู่เบื้องหน้า คุณเบนจพรก็เลยกล่าวขอบคุณแล้วก็มุ่งตรงไปยังอาคารหลังนั้นซึ่งด้านหน้าเปิดไฟสว่างสวัยจนเธอมองเห็นทุกอย่างรอบตัวได้ถนัดชัดเจนนะคะ ประตูที่ใช้สำหรับผ่านเข้าออกบริเวณตัวอาคารถูกเปิดแง้มไว้เล็กน้อยคุณเบนจพรก็เลยผลักแล้วก็แทรกตัวเข้าไปภายในซึ่งขณะเดียวกันนะคะสายตาก็สัมผัสกับร่างของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งกำลังนั่งสงบนิ่งอยู่ที่ม้านั่งตัวยาวตรงหน้าห้องที่ติดป้ายเอาไว้ว่าห้องชนสูตรศพ ทันทีที่มองเห็นคุณเบญจพรก็จำได้ดีค่ะว่าหญิงสาวคนนี้เป็นลูกสาวของคุณชยชิตผู้เสียชีวิตเธอก็เลยตรงไปนั่งเคียงข้างแล้วก็สอบถามถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งถามถึงญาติคนอื่นๆที่น่าจะเดินทางมาที่โรงพยาบาลพร้อมๆกันแต่ว่าเด็กสาวคนนั้นได้แต่นั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วก็บอกว่าตอนนี้แม่กับพี่ชายของเธอยังคงอยู่ที่สถานีตำรวจกำลังจะกลับมาในไม่ช้านี้ คุณเบนจพรก็เลยพยายามพูดปลอบใจเด็กสาวที่เพิ่งจะสูญเสียพ่ออันเป็นที่รักไปนะคะ ขณะเดียวกันก็พยายามมองหาเจ้าหน้าที่ประจำห้องดับจิตแต่ก็ไม่พบค่ะครูต่อมาคุณเบญจพรก็เลยขอตัวเดินออกไปโทรศัพท์ที่อาคารซึ่งตั้งอยู่ถัดไปแต่ว่าในระหว่างที่กําลังเดินออกจากตัวอาคารห้องดับจิตนั้นเธอก็ได้พบกับภรรยาคุณชยชิตผู้ตายแล้วก็ลูกชายคนโตซึ่งกําลังเดินสวนมาพร้อมกับร้อยเวรเจ้าของคดีก็เลยหยุดพูดคุยกันอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พากันเดินหวนกลับเข้าไปยังห้องดับจิตอีกครั้งหนึ่งนะคะ การกลับมาภายในตัวอาคารห้องดับจิตครั้งนี้ทําให้คุณเบนจพรรู้สึกแปลกใจว่าบัดนี้ภายในอาคารห้องชนสูตรศพที่เธอเพิ่งจะเดินออกมาทําไมมันมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีร่างของหญิงสาวซึ่งเป็นลูกของคุณชยชิตซึ่งเธอเพิ่งพูดคุยกันอยู่ก่อนหน้านี้แม้แต่เงาคุณเบนจพรก็เลยเล่านะคะว่าตอนนั้นเนี่ยเธอรู้สึกว่าตัวชาไปทั้งตัวลวคะค่ะเพราะไม่มีทางที่หญิงสาวคนนั้นจะหายไปไหนได้ ก็ในเมื่อตัวเธอเองก็เพิ่งจะคล้อยหลังจากไปเมื่อไม่นานมานี้เองเธอไม่มีโอกาสรู้แม้กระทั่งว่าขณะนั้นกาลังหน้าซีดปากสั่นเนื้อตัวร้อนวูบวาบไปกับภาวะที่อาจเรียกได้นะคะว่าหวาดหวั่นจนขนลุกเกลียวไปถึงไขสันหลังแต่เธอก็ยังไม่ได้ปริปากบอกอะไรให้ใครทราบแม้แต่คาเดียว กระทั่งเมื่อประตูอาคารถูกเปิดพลั่เข้าไปค่ะพร้อมกับการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ห้องดับจิตในชุดสีเทาสองคนทั้งหมดจึงถูกนำเข้าไปยังห้องชนสูตรศพเพื่อดูศพก่อนที่จะตัดสินใจฝากไว้ที่โรงพยาบาลก่อนนะคะหรือว่าจะนำไปดำเนินการประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องจากครอบครัวของคุณชยชิดผู้ตายเนี่ยเป็นศาสนาอิสลามจะต้องทำพิธีศพให้เสร็จสิ้นภายใน24ชั่วโมงค่ะ คุณเบนจพรเล่าว่าในวินาทีที่ก้าวเข้าไปยังห้องจนสูตรศพและเจ้าหน้าที่ได้เปิดผ้าคลุมศพออกให้ดูนะคะคุณเบนจพอรบอกว่าเธอแทบหัวใจจะหยุดเต้นกับภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าค่ะไม่ใช่เพราะอะไรนะคะไม่ใช่เพราะความสยดสยองของสภาพศพคุณชยชิตที่แหลกเหลวแทบไม่มีชิ้นดีอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุร้ายแรงที่พรากชีวิตเขาไปจากครอบครัวลูกเมีย หากแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือภายในห้องจันทร์ูตรศพขณะนั้นมีศพวางเรียงรายบนเตียงสแตนเลสถึงสศพด้วยกันศพหนึ่งค่ะคือร่างของคุณชยชิตซึ่งเธอรู้ทีแรกนะคะว่าเสียชีวิตลงศพที่สองคือร่างของชายที่ยืนสูบบุหรี่อยู่ใต้โคนต้นไม้หน้าอาคารห้องดับจิตซึ่งเธอได้เข้าไปสอบถามจากเขาและศพที่สามค่ะก็คือร่างของลูกสาวของคุณชยชิตนะคะและก็เป็นคนเดียวกัน ที่เธอเพิ่งจะนั่งพูดคุยด้วยเมื่อครู่ก่อนหน้านี้ไม่กี่นาทีคุณเบนจ์พรไม่อาจถ่ายทอดถึงความรู้สึกของเธอในขณะนั้นได้ว่ามันระทึกขวัญเจียนสติแตกเพียงใดเมื่อเจอเข้ากับเหตุการณ์สยองถึงเพียงนี้ความรู้สึกสุดท้ายที่เธอจําได้คืออาการรู้สึกว่าหน้ามืดวิงเวียน ไร้สิ้นเรี่ยวแรงที่จะพยุงร่างให้ยืนได้อีกต่อไปเธอกรีดร้องดังลั่นจนทุกคนหันมามองเป็นทางเดียวกันจากนั้นสติเธอเองก็ดับลงไม่รับรู้อะไรอีกเลยจนกระทั่งได้กลิ่นแอมโมเนียโชยเข้าจมูกจนแทบจะสำลักนะคะบนมานั่งตัวยาวหน้าห้องจนสูตรศพที่เธอนั่งคุยกับลูกสาวของคุณชัยชิตนั่นแหละค่ะสิ่งที่คุณเบนจะพรช่อห่มนาคตัวแทนสาวบริษัทประกันภยัยประสบพบเจอมาในครั้งนี้ ได้รับการบอกเล่าจากปากของเธอเองภายหลังจากพิธีการทางาศาสนาในงานศพคุณชยชิตและลูกสาวผ่านพ้นไปได้3วันเธอกลับมาอีกครั้งเพื่อมาช่วยดำเนินการมอบเงินก้อนหนึ่งให้กับครอบครัวที่เหลืออยู่ของผู้ตายตามสัญญาของกรมธันประกันภัยที่คุณชยชิตได้ทำไว้นั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้าที่จะเสียชีวิตไปเพราะอุบัติเหตุร้ายแรงพร้อมกับลูกสาวอันเป็นที่รักในคืนนั้นค่ะ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่บีนำมาฝากคุณผู้ฟังประจำวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีของเราด้วยและก็อย่าลืมนะคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์พูดคุยก็โพสต์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีค่ะ